ข้อที่47ส่วนบัณฑิตทั้งหลายยอมไม่ยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนให้ชิมหายยอมให้ถึงความเจริญเพราะกรรมที่ตนถือเอาดีเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉะนั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัพพัญญตญาณอันประดับด้วยพระคุณทั้งมวลเพราะกรรมที่พระองค์ทรงถือเอาดีพระเถราทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เหมือนกันบรรลุคุณชาติมีสาวกบ ร, รมยานเป็นต้นก็ถวยเทพและมนุษย์นับไม่ทวนอาศัยพระพุทธเจ้าบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะและเข้าถึงพรมโลกตระกูล8 0ดห0ตระกูลยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรเถระบำรุงพระเถระด้วยปัจจัยสี่บังเกิดในสวรรค์ ตระกูลแ0ดหมื่นตระกูลยังจิตให้เลื่อมสในพระมหาสาวกทั้งปวงมีพระมหาโมคคลานะและพระมหากสปะเป็นต้นก็เหมือนกัน